ท่นฟังค่ะนั่นคือพระมาร์ชาคาวโรนะคะวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิทธิ์ที่นเองตั้งแต่ที่น้ําลดเนี่ยเพิ่งไปที่วัดมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็ไปแค่ไปเป็นจุดเริ่มต้นเพ่อจะไปที่อื่นต่อแต่ยังไงก็ได้เห็นภาพที่สบายใจที่จะต้องมาบอกกล่าวทุกท่านว่าพื้นสนามทั้งหลายที่เคยมีน้ําสูงทีเดียวนะคะเป็นเมตรเนี่ยตอนนี้ก็ ลดแห้งลงอย่างสนิทเลยคงเหลือร่องรอยของน้ําท่วมเอาไว้ที่ให้เห็นชัดๆไกลๆนี่ก็คือสะพานทางเดินที่ยังไม่ได้มีการายกเลิกไปนะคะก็เหลือให้เห็นเพราะฉะนั้นใครที่อยากทราบก็กลับเรียนให้รู้ละกันนะคะตอนนี้เรามาพบกับช่วงเวลาของพระอาจารย์ไผ่บุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่ที่ผ่านมาน้ําไม่ท่วมแบบใครเขาคะ่ะน้อมักการกันทั้งคะ่ะอาจารย์พา ที่อุดรก็ฝนไม่ตกมาเป็นเดือนละแล้วผู้ที่อพยพมาเป็นศูนย์ลิภัยนะในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ได้ทยอยกลับกันไปส่วนใหญ่ละบางคนเนี่ยมารู้ตอนที่ภัยมันหมดแล้วรู้ช้าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ไปเข้าโครงการของรัฐบาลเขาที่เขาประชาสัมพันธ์ให้มากมใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องแบบเป็นแฟนคลับกันจริงๆอะ่ะถึงจะมีโอกาสรู้พอมารู้ปุ๊บเลยบอกว่า แม้อยากจะจองไว้เหมือนกันแต่อีกใจเนะี่ไม่อยากให้ภัยเกิดเรื่องของภัยพิบัติมันก็ไม่แน่ไม่นอนถ้าเราเตรียมตัวไว้นะในการหารูดรูหนีที่ทางนีที่ล่ไว้แล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยก็จะสบายหละ่ะท่านคะบางคนก็เลยบอกว่าก็เห็นทางหน่วยงานราชการเขาบอกว่ามันไม่มีเครื่องมือใดเลยที่จะพยากรณ์ในเรื่องพายุได้แม่นยํมแล้วก็เลยเกิดความรู้สึ ก, กว่าถ้ายอย่างนั้น เดี๋ยวนี่เลยนั่งบริการตามท่านมาร์กแล้วก็ฟังทำท่านไพบูเนี่ยจะสามารถเห็นได้เองด้วยไหมคะ เ, เรื่องของความรู้ความเห็นอันนี้พระพุทธเจ้าก็เคยพูดเอาไว้นะว่าถ้าจิตเรามีสมาธิจิตเรามีกำลังแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความรู้ความเห็นอะไรต่างขึ้นมาได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ไม่แน่ถ้าจิตยังมีกิเลสอยู่เนี่ยบางทีมันเป็นกิเลสมาหลอกเป็นเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนสมมตินะคะ เป็นคนที่ตั้งใจอย่างนี้เลยไม่เคยสนใจและไม่เคยคิดว่าจะต้องมาสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยแต่พอฟังมาถึงตอนนี้อถ้าอย่างนั้นจากที่ไม่เคยคิดมาก่อนไม่มีเหตุจูงใจนีม่มีเหตุจูงใจละคืออยากจะลองดูซิอืมถ้าเริ่มต้นได้เหตุแบบเนี้ยดีหรือไม่ดียังไงอ่ะก็อันนี้เป็นการตามรู้ซึ่งความจริงที่วู้ชาบอกว่าเออเราไม่ปักใจเชื่อว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่า ใช่ไหมเราก็ลองฟังฟังดูว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรจริงไม่จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เราต้องได้มาเนี่ยเราต้องมาเปรียบเทียบกับเรื่องของศีลสมาธิปัญญาว่ามันถ้าเป็นไปนในแนวนี้เป็นไปนในแนวนมั้งมันมีแนวโน้มว่าจริงมีแนวโน้มว่าไม่จริงน้อยกว่าค่ะเดี๋ยวฉันถามให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะคะว่าหากเราจะเริ่มปฏิบัติแทนที่จะเริ่มปฏิบัติด้วยการที่อยากได้ผลอย่างที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งเน้น ว่าก็คือก็จะเจริญตามลำดับขั้นของการปฏิบัติสัมมาสมาธิเรื่อยไปจนกระทั่งถ้ามีโอกาสไปถึงขั้นสุดท้ายคือบรรลุธรร ม, มนะคะก็จะเป็นผู้ที่ถือว่าได้ประโยชน์อย่างสูงสุดในการดำเนินตามมรรคของพระพุทธองค์เนี่ยแต่เราไปเริ่มต้นด้วยวิธีที่ว่ามันหวังอย่างอื่นนะคะหวังจะมีฤทธิค์ค่ะหวังจะรู้เลขแล้วละ่ะ Oh. หวังจะห้ามน้ําไม่ให้ท่วมหวังจะเรียกฝนให้มาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าคือมันมีหลายกรณีนะยิ่งในสมัยพุทธกาลก็มีพระภิกษุที่หวังว่าจะมาเรียนขโมยทำวินยัยหรือว่าหวังว่าจะมาะก็เรียกว่าเรียนพวกฤอิทธิฤทธิ์ต่างๆอย่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายพอมาเริ่มาเรียนจริงๆแล้ว้พบสิ่งที่เหนือกว่านะแล้วก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีเพื่อนดี นะคือมีอาจารย์ที่ดีมีอุปชาที่ดีคอยแนะนําชักชวนไปในทางดีเพราะฉะนถ้าเราคิดว่าเราจะมาปฏิบัติเพื่อเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยธรรมาก็ต้องบอกพยายามทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีของท่านผู้ฟังนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีของที่เหนือกว่านี้อยู่นะนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากไม่แน่ไม่นอนของที่เหนือกว่านี้ก็คือการที่เราทําให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะจะเป็นของที่เหนือกว่านี้มากอันนี้ต้องมีเพื่อนดีนะถึงจะแนะนําไปได้ ค่ะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นด้วยความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเป็นผลที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทาแบบนี้แล้วจะให้ท่านเนี่ยจูงใจให้ท่านอยากทําอำมมั น, นะะก็ก็ไม่ได้มีไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดอะไรมากอนะค่ะเป็นแต่ว่าเราต้องมาทําให้ถูกคือพระเนี่ยก็ยังมีกิเลส ท, ทุกคนนะที่มาบวชบวเนี่ยเ ร, เราต้องมาเพียรเพื่อละกิเลสค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่ากันนะคะอันนี้ถามท่านเฉย ๆ, ๆก็ หมายความว่าเริ่มต้นอย่างนั้นก็ได้ก็ยังดีกว่าไม่เดินผ่านมาทางนี้เลยก็หมดโอกาสไปเลยบางค น, นไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เพื่อปิดในการว่า ย, ยิ่งแย่หนักเลยแล้วผู้นั้นยังยั ง, ย, งยังบางทีไปโปรดยากกว่าด้วยซ้ําค่ะท่านไปบุญคลาดิฉันก็เมื่อวานนี้พลาดไปนิดหนึ่งที่ว่าถามคําถามของคุณเพลินตาแล้วไม่ได้ถามให้หมดทั้งคําถามพอดีไม่ได้เลื่อนเอาข้อความส่วนที่สองนอกเหนือจากเรื่องเกิดดับน ะ, นะคะคุณเพลินตาเนี่ยขยายความ ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งสมาธิมากนะักท่านผู้ฟังที่ไม่ค่อยได้นั่งมีเพื่อนเลยนะคะแต่ตั้งใจที่จะมีสติในทุกขณะที่ดําเนินชีวิตไปตลอดอื <c oughs> <c oughs> อย่างนี้พอจะได้ไหมคะว่ oh, ะานี่ดีดมากๆเลยเพราะว่าจริงๆเรื่องการมันนั่งสมาธินี่คือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ว่ากิเลสเวลามันจะออกมานะมันไม่มารอเราอย่างคนเขาจะด่าเราเนี่ยเราบอกว่าเดียเด๋ยวเดยวเดยขอสองนาทีนั่งสมาธิก่อนมันไม่มีเขาด่าเราเลยอ่า เจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจมันโดนเราเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตให้มีสติอย่างที่คุณเพลินตาทำเนี่ยดีมากเลยนะคะใจชื้นเลยคุณเพลินตาวันนี้จะเพลินใจไปทั้งวันเลยล่ะอ <laughs> รู้ว่าทำถูกที่มีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยสบายขึ้นมากไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุโทโ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะที่ท่านเบบูรณ์ได้นำมาบอกเนี่ยคะ่ะแล้วก็ทําคุณเพลินตามีมุมมองในชีวิตที่เปลี่ยนไปมาก ก็ขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่นําธรรมะของพระพุทธองค์มาให้ได้รู้แล้วก็ปฏิบัติจนมีผลดีกับตัวเองในที่สุดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้จำแจงแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทางสถานีด้วยนะคุณสันสนีด้วยที่ได้นําโอกาสให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็การปฏิบัติของเราเองเนี่ย คือในการทําลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการบรรลือศียันนานนคุณศาสนี ค, คือหมายความว่าเราเอาข้อที่เราทําได้หรือว่าเราปฏิบัติได้คือระลึกถึงพระพมประสงค์เนี่ยแล้วเราแก้ปัญหาชีวิตได้เรามาประกาศให้คนอื่นรู้เนี่ยนี่คือการช่วยพระพุทธเจ้าบรรลือศรียันนาท์บางทีเนี่ย น, นะคะเรามาเจอคนที่เขามีปัญหาชีวิตหนัหนกๆคะ่ะมาเจอตอนที่เรามองไม่ออกเพราะว่าเจอกันในสถานที่ที่เขามาศึกษาธรรมะแล้วออื แต่พอเรารู้เรื่องในอดีตเขาที่ผ่านมาเนี่ยเรางงมากเลยนะคะว่าโอ้โหชีวิตเขาลอดผนมากปัญหาเขาดูมันยากมากแล้วก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้แนะ่แต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นสามารถที่จะเอาธรรมะเนี่ยคะ่ะไปใช้จนชีวิตสงบเย็ น, นะคะ่ะผ่านพ้นมาได้ใช่ใช่ะใชนะคะน่นคือเป็นลักษณะของธรรมะแน่นอนว่าพอเรารู้เองเห็นเองแล้วเนี่ยแม้เราอยากจะเชิญคนอื่นมาพิสูจน์อค่ะแน่นอน รู้เองเห็นเองอยาจะเชิญคนอื่นมาพิสูจน์ท่านพูดเรื่องบุญอยู่วันหนึ่งในวันวันพ่อคือวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งเจอพี่ที่เขาช่วยคนเยอะเลยนะคะในช่วงน้ําท่ว ม, อ, มอยู่ที่จังหวัด ร, ราชบุรีเป็นนักพัฒนาการเมืองเป็นเป็นสมาชิกสภา พ, พัฒนาการเมืองอาาช่วยตั้งแต่ให้เขาพักอยู่อาศัยอย่างมีความสุขชื่อพี่วิเชียนคุ ต, ตวัตรนะคะเวลาจะกลับเนี่ย ก็จัดการให้คู่มือก่อนกลับบ้านพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือด้วยเพื่อที่ไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปสารวนหาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้อีกแล้วเดี๋ยวฉันก็บอกท่านตอนที่จะแยกจากกันก็แบบสนิทกันก็แบบว่าโอ้ยขออนุโมทนาในกุศ ล, ลกรรมที่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ย น, นะค ะ, ะท่านหยุดเลยค่ะแล้วท่านหันมาพูดที่บอกว่านี่นะจะเล่าให้ฟังนะไม่เคยเจอเลย คือเมื่อเช้านี้เช้าตรู่เลยเห็นหน้าคนที่ไม่รู้จักนีม่มาเต็มไปหมดอมตอนคือไม่ได้หลับมันนะคะบอกเนี่ยผมก็บอกนะบอกว่ากา็ไอสิ่งที่ได้ทำไปเนี่ยก็อุทิศไปให้กันแล้วกันค่ะอย่างการทำดีอย่างนี้ที่ท่านบอกว่ามันเป็นทาบุญอย่างหนึ่งใช่ไหมคะการ ช, ช่วยใช่อุทิศได้ไหมคะ เ, เรื่องของความดีเนี่ยเราอุทิศให้กันในลักษณะที่ว่า เราบอกให้เขาทราบถึงความดีของเราหล่งจากเราประกาศออกไปส่งกระแสจิตออกไปลนะแล้วเขาจะมารับได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขามาอนุโมทนาไหมค่ะถ้าเขาอนุโมทนานะเขาก็รับไปเหมือนมาต่อเทียนน่ะเราเปิดเทียนไม่ให้เขาต่อแล้วนะเขาจะมาต่อหรือไม่ก็เรื่องของเขาอย่างในกรณีของเพื่อนของคุณยมติวที่พูดเนี่ยเป็นเพื่อนในลักษณะที่มิตรผู้มีอุปการะ ะนะคือเมื่อมีกิจจำเป็นเนี่ยต้องทำเนี่ยทำเกินให้เพิ่มให้สองเท่านะคือคือเป็นธุระช่วยออกปากมากกว่าที่ที่เคยบอกเอาไว้ใช่ค่ะแล้วทำได้ดีมากเลยน่าชื่นช ม, มจะว่าไปนะคะในวันนี้เนี่ยคือท่านเรียนสี่อสองคือเสริมสร้างสังคมสันทิสุขที่ดิฉันเนี่ยเรียนอยู่ด้วยเราก็จะมีกิจกรรมกันวันนี้ค่ะ ที่จังหวัดนนทบุรีไปช่วยชาวชุมชนที่นั่นฟื้นฟูหมู่บ้านเหมือนกันแต่ที่ฉันนี่สงสยัยค่ะท่านคะไอ้ที่สงสัยเนี่ยดี๋ยวฉันหยุดถามพี่เขาอีกรอบหนึ่งเลยเพราะนึกว่าเขาแย่เล่นอืมที่ว่าเห็นหน้าคนไม่รู้จักเนะี่ยเด็เขาบอกเอ้ยว่าไงนะคะคุณพี่เขาบอกว่าจริงๆผมไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนเลยอยู่ดีๆก็มีหน้าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยลอยมาเต็มไปหมดอืมอย่างเงี้ยคืออะไรค่ะท่านคะโอ้อันนี้มันก็เป็น นิมิตในจิตของเขาอะนะะ <c oughs> ซึ่งระมาก็ไม่ทราบว่านิมิตนี้หมายถึงอะไรในจิตของเขาทีนี้ว่าไอ้นิมิตที่เกิดขึ้นต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันเป็นสมาธินิมิตก็มีนิมิตเพื่อความเพียรก็มีอุเบกขานิมิตก็มีแล้วก็มีนิมิตอีกหลายอย่างแต่ถ้า <c oughs> ทําให้จิตของเราเนี่ยตั้งมันอยู่ได้อันนี้ก็ดีท่านคะทีนี้สมมุติเกิดในเมื่อถามท่านท่านก็บอกว่ามันก็จะเป็นนิมิตใด น, นิมิตหนึ่ง ฟันธงไม่ได้อย่างนี้นะคะแล้วพวกเราคงจะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยแหละก็งงไปหมดเราควรจะรับมือกับสิ่งที่ท่านบอกว่าน่าจะเป็นนิมิตอย่างใดยอย่างหนึ่งนี้กันยังไงอะคะผู้รู้เช่าเคยบอกอย่างนี้บอกว่าสมมติเป็นอมนุษย์หรือมนุษย์เราก็ไม่รู้ละหรือจะเป็นความคิดธรรมดานะความคิดเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เป็นภัยก่อต่อเราได้นะก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เป็นประจํา นะถ้าเรามีเจริญเมตตาเจโตวิมุตตนะ์อันทําให้มากเจริญให้มากทําให้เป็นดุดยานเครื่องนําไปเนี่ยจะทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นภัยกับเราได้ค่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่พวกมนุษย์หรือพวกมนุษย์นะยังรวมถึงเหตุการณ์แคล้วคลาต่างๆนะอาวุธยาพิษอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่เป็นภัยคล้วคลาไปได้ถ้าเรามีเมตตาหมายถึงว่าคนที่มีจิตใจดีๆเมตากับ สัตว์อื่นทุกๆสิ่งคนอื่นอ ย, อ, อยู่เป็นประจําเมตตาเนี่ยรวมไปถึงกับสิ่งของเราใช้เคาเมตตาได้ไหมคะใช้เขาแบบทนุถน้อมละมัดระวังเมตตานี่ก็จะสัตว์สัตต์ทั้งหลายเทวดพุทเจ้าบอกนะคะใช้กับสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณทุกอย่างเลยจะเป็นสัตว์เป็นวิญญาณเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนเราเป็นพ่อแม่ต้องมีเมตตาหมด ท่านพิบูลคะขณะที่กําลังพูดกันเนี่ยมีสัตว์นรกมีโนมีนี่มีวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะ uh huh. บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊กก็เคยฟังมาเนี่ยท่านพิบูรลส่วนใหญ่แล้วท่านเป็นวิศวกรเก่านะท่านพูดเลยเป็นวิทยา ศ, าศาสตร์มากเลย uh huh. วันนี้กําลังเสนอภาคพิสดารหรือเปล่าคะอะไรเงะะี้ยค่ะคือเรื่องของสัตว์นรกอย่างเงี้ยน ะ, ะหรือว่าเทวดาเนี่ยที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเนี่ยคือถ้าเราไม่เคยเห็นเราก็ยังจะไม่รู้ แต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถามว่าตอนที่บุรุษเจ้ามาประกาศให้ทราบเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้พูดขึ้นมานะจนกระทั่งพระหมหาโมคลานะเนี่ยไปเห็นสัตว์เหล่านี้ไปเห็นสัตว์นรกไปเห็นพวกเปรตไปเห็นพวกอสุรกายแล้วจึงมาถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าคืออะไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอ๋อดีแล้วนะเพราะมีโมคลานะเนี่ยเป็นผู้ที่มายืนยันสิ่งที่เราเห็นอ่ะต่อไปนี้เราจะพูดให้ฟังว่ามีภพภูมิอย่างนี้อธิบายไปเลยเพราะฉะนั้นที่อาจมาพูดเนี่ยเราพูดตามพระพุทธเจ้าก็ กำลังจะบอกท่านทั้งหลายว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทโธได้ตรัสไว<ช>้แล้วท่านเพรบุญได้นํามาพูดต่ออย่างไรก็ตามหากมันปรากฏกับท่านขออย่าให้ทึกทักว่าโอ้ต้องเป็นเทวดาออโอ้ต้องเป็นภพนั้นภูมินี้ถูกไหมคะไม่เพราะมันอาจจะเป็นความคิดของท่านก็ได้ใช่ใช่ในเม่อมันอาจจะอาจจะอาจจะขอให้ท่านมีเมตตายอยู่เป็นนิดก่อนหน้านี้นั่นแหละท่านไม่ต้องหวั่นกลัวอะไรเลยว่าจะเป็นอันตรายกับเราไม่มีทางค่ะนะมีอะไรที่ดิฉันยังไม่ครอบคลุมไหมคะสรุปไปเนี่ยค่ะ คือคนที่ทําความดีอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะมันอาจจะมีสิ่งที่คือเป็นคนรวยเนี่ยเขาก็จะมีคนมาขอนั่นนี่อะไรต่างๆถ้าเรามีเราให้เถอะนะบุญกุศลเราแบ่งกันยิ่งได้มากคนแบ่งบุญยิ่งได้บุญเพราะนั้นเราแบ่งเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราไม่ได้เสียมันไม่ได้เป็นการแบ่งเค้กมันเป็นการต่อเทียนอแปลกมากนะคะคือบุญเนี่ยเป็นของที่พิเศษเพราะว่า ของอย่างอื่นแบ่งแล้วมันหายแต่บุญนี่คล้ายถนนนะคะเพราะว่าตัดแล้วยาวขึ้นอืมเป็นลักษณะของเราทําเนี่ยมันก็จะเกิดผลใหม่เกิดผลใหม่ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะท่านใช้คําว่าบุญเหมือนการต่อเทียนอันนี้นน<พ>เป็นคําของท่านเองหรือพุทธวจนะอนนะไอันนี้เป็นอุปมาบอกไม้ที่อาจารย์มายกขึ้นมาแตนะ่ถ้าเป็นพุทธวจนะเนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดถึงโลกเนี่ยหมุนไปได้ด้วยลักษณะของกรรมคือการกระทำนะคือเหมือนกับ ใครเคยขับจักรยานนะหรือมอเตอ ร, ถ ร, ถร์ไซค์เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ถ้ายืนอยู่เฉยๆมันตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยเพราะว่ามันจะมีแรงทอกที่เข้ามาจากข้างๆเมื่อมีการหมุนเพราะฉะนั้นเราให้เรารับเราให้เรารับเนี่ยโลกหมุนไปได้เรามีการอุปการะผู้อื่นก่อนเรามีการตอบแทนบุญคุณเนี่โลกหมุนไปได้ตลาดหุ้นมันอยู่ได้เนื่องจาะมีการซื้อการขายมันจึงมีตลาดหุ้นอยู่ได้ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ไป เพรฉะนั้นในเรื่องของการทำตรงนี้เราต้องทำอยู่เรื่อยๆให้รับเป็นผู้ให้ผู้รับ แ, แบ่งปันการเ อ, อื้อเฟื้อเกือ้อกู ล, ลเราจะเราจะหมุนโลกนี้ไปได้ชาติเราจะไปได้ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ทวชนะแล้วนี่จะตรัสในธรรนนทที่ท่านเผยบุญได้พูดไปแล้วขออีกครั้งได้ไหมคะก็คือว่าโลกเนี่ยคือหมู่สัตวนะ์มีกรรมเป็นที่นําไปเหมือนกับหมุดสลักที่คอยยึดโรงโยงรถให้เล่นไปอยู่นี่คือทวชนะมีกรรมเป็นที่นําไปใช่เหมือนหมุดสลักนะคะ ที่ยึดโยงรถที่เล่นไปอยู่ที่ยึดโยงรถรถสมัยโบราณน ะ, ะลอง<ถ>นึกดูแล้วการคงมีล้อมีหมดุดทองเหลืองหรือเหล็กอะไรเงี้ย น, นะคะคกลไกตรงนั้นไม่ใช่ง่ายๆมันต้องมีการเข้าลิ่มสลักในลักษณะที่จะไม่ให้มีแรงมากระชากหมุดให้หลุดออกได้ค่ะเป็นช่างไม้เขาจะทราบตรงนี้อ๋อค่ะก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากค่ะสําหรับในสิ่งที่ท่านพิบูรณ์ได้มาให้ความรู้เราในวันนี้อย่างไม่ตั้งใจนะคะคือเิฉันเองมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยเขารับไม่ได้เลยเรื่องอะไรที่มันเหนือกว่าความเป็นจริงที่มองมองเห็นอยู่ในโลกนี้ <S 1> <S 1> ืแล้วเขาก็จะมีการปฏิเสธถ้าสมมติเกิดใครที่เขาเชื่อถืออยู่ไปพูดถึงสิ่งเหล่านี้ปุ๊บ ก, ก็อาจจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกเคลือบแคลงในสิ่งที่เคยเชื่อถือผ่านมาอืว่าควรจะเชื่อถือต่อไปหรือไม่ พวกนี้จะเรียนมากหนักไปทางวิทยาศาสตร์ก็มีเยอะก็เลยต้องพูดเผื่อไว้ให้ด้วยอะค่ะใช่ค่ะท่านพิบูั น, นี้เราก็ได้ความรู้กันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยใช้ชีวิตให้ถูกเราช่วยกันหมุนกงล้อให้โลกนำไปได้ค่ะให้ใหโลกนาไ ป, ไ, ปได้ไดมีทั้งรับทั้งให้มีสองด้านนะคะวันนี้ก็นมัสการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะนมันสการค่ะในิฟานท่านังที่เคารพค่ะ และสำหรับรายการของเราชื่อรายการสันนีสสนานะคะที่นี่สถานีวิทยุ fm ครอบครัวข่าวร้อยหกสถานีวิทยุของฐานเรือนะคะแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย p ิเอลธรรมะดอทมหนึ่งท่านเปิดไปที่นั่นนะคะ ถามคำถามก็ได้แล้วยังจะเข้าไปฟังธรรมในลักษณะอื่นๆที่ท่านปิบุรณ์ได้ถามเอาไว้อีกส่วนที่นี่ก็022690006ท่านขอหนังสือพุทธวจนะที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านได้มอบมาให้พวกเราวันละ3เล่มเนี่ยนะคะเอาไปศึกษากันทบไปทวนมาได้วันนี้ดิฉันสันสนีนารงและรายการสันสนีสนทนานัดท่านใหม่นะคะพบกันพรุ่งนี้ตีหพุทธวสวัสดีค่ะ